ถามหงุดหงิดมากเวลาเห็นแฟนชอบมองผู้หญิงรู้สึกว่าเจ้าชู้กันทั้งนั้นอย่างนี้เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับกรรมของเราคะมีแฟนกี่คนกี่คนเหมือนกันอย่างนี้หมดเลยตอบนิยามของชายเจ้าชู้นั้นควรจะประมาณจีบไม่เลือกมีแฟนแล้วก็จีบหญิงอื่นอีกหรือหนักกว่านั้นคือหลอกมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครต่อใครทั่วมั่วแหลก ไม่ใช่แค่ชอบเหละสาวก็เรียกว่าเจ้าชู้แล้วเพราะการชอบมองผู้หญิงเนี่ยเป็นนิสัยของผู้ชายนะครับเป็นเรื่องปกติพูดกันตรงไปตรงมาผู้ชายที่ไม่ชอบมองผู้หญิงเนี่ยแทนที่จะน่าดีใจคุณอาจต้องห่วงเบื้องหลังของการไม่ชอบมองของเขาเสียมากกว่าเปล่านะครับผมไม่ได้สนับสนุนหรือชี้ช่องให้คุณผู้ชายทั้งหลายเห็นการเหละสาวเป็นเรื่องน่าสนับสนุน แเรากำลังพูดถึงความจริงที่ปรากฏอยู่ทั่วไปและเท่าที่ทราบมาสาวหลายคนก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าภูมิใจหากรูปร่างหน้าตาของตนไปดึงสายตาหนุ่มๆให้มาจับอยู่กับตนแทนแฟนที่ควงแขนมาด้วยกันได้บางคนก็ออกทำนองหมันไส้อยากแกล้งผู้ชายเลยด้วยซ้ำโทษฐานอยากมองเธอนักยิ้มหวานให้ซะเลยเอาให้โดนแฟนหยิกเนื้อขัดทันทีที่รับหลังเธอนั่นแหละทานองนั้น แล้วเท่าที่เห็นนะครับผู้หญิงประเภทนี้เองที่เมื่อมีแฟนแล้วจะหึงหวงเป็นพิเศษตั้งท่าแยกเคี้ยวกางเล็บขู่มากกว่าหญิงทั่วไปและจะเหมือนโดนสุมไฟในส้วงหากเห็นหญิงงามใดมาเข้าทางตามีสิทธิ์ล่อตาล่อใจแฟนตนเขา้าหากคุณบอกว่าไม่เคยคิดแย่งสายตาใครมาจับจ้องคุณแทนแฟนเขาก็น่าจะอยู่ที่ธาตุความเป็นหญิงในตัวคุณเองผู้หญิงทบทุกคน ชอบเอาชนะและกลัวแพ้การที่แฟนมองหญิงอื่นก็เหมือนตัวเองไม่น่าสนใจพอหากสะสมความหงุดหงิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่จับได้ว่าเขาของคุณเหล่ใครก็เท่ากับเพิ่มเชื้อเพลิงขึ้นในใจไปเรื่อยๆจัดเป็นมโนกรรมคือตั้งความคิดห้ามแฟนทรยศคุณแม้ด้วยสายตาเมื่อห้ามไม่ได้ก็อาจเป็นเรื่อง ซึ่งเรื่องก็เกิดขึ้นจริงๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือใจคุณเสียหายได้ทุกทีที่เดินควงแฟนไปไหนต่อไหนแค่คุณเห็นสาวสวยเช้งวับเดินสวนมาหรือกระทั่งอยู่ห่างๆใจก็ร้อนรุ่มนึกอยากด่าแฟนหรือคาดหมายไว้ล่วงหน้าว่าเดี๋ยวแฟนตูต้องดูมันแน่แ ล, แล้วแล้วความทุกข์ก็จะติดตามคุณไปทุกหนทุกแห่งเพราะคุณพบหญิงงามล่อตาชายได้ทุกที่ที่คุณไปถึง ต่อให้เป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาลำนาวป่าก็เถอะถ้าแฟนคุณไม่ถึงขนาดสอแววหื่นน้ำลายหกจริงๆมีแต่แค่ปลายตาดูเฉยๆพฤติกรรมอื่นไม่ได้สอแววว่าจะออกลายยิ่งกว่านั้นก็ตั้งมโนกรรมเสไมาเถอะครับอภัยได้ก็อภัยหรือไม่ก็พูดคุยกับเขาตรงไปตรงมาด้วยท่าทีที่สงบและอ่อนโยนว่าขอได้ไหมไปไหนกับคุณช่วยเก็บอาการหน่อยจะมองสาวไม่ว่า แต่อย่าถึงขนาดลูกเหล็กเป็นลิงเพราะมันทําให้คุณรู้สึกไม่ดีกับเขาธรรมดาโลกนั้นชายชอบมองหญิงสวยหญิงก็ชอบมองชายหล่อธรรมชาติยังไม่ว่าอะไรยังไม่มีบทลงโทษให้กับการชอบมองเพศตรงข้ามรูปร่างหน้าตาดีขอเพียงอย่าให้นั่นเป็นปากทางไปสู่การผิดศีลข้อกาเมว่าด้วยการละเมิดสิทธิ์ครอบครองของผู้อื่นเป็นพอ เพราะาถึงขั้นนั้นธรรมชาติจะไม่ยอมปล่อยเอาไว้แล้วเตรียมบทลงโทษว่าให้แน่นอนแล้วดังตริน30มกราคมพุทธศักราช2อง0 น, ม า, ม า, น, า, น, นาย้าสบ กับปัญหามากมายวะน่นวันไม่เกิดกระฉันได้ยังไงสิ่งที่เธอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหตุของใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอ ได้ไต่โทษฟ้าโทษดาวั น, นความจริง